รักแล้วไม่ลืมไม่ลืมรักนะแม่คุณผลนบุญนุนให้ได้ไกลนวล น, น้องห่างไปเพราะคำแพงป้องพี่ห่างไกลน้องหมดหวังบุญสร้างไม่ถึง นองรักสั้ไปคนกลเข้าคว้าไปครองวังปองมองภาพใ้ทซาบซึ้งเจอกันพี่พลัน อ, อึ้งอดีต ด ล, ลงปลงอนิจังตาแล้วพี่เป็นผู้แพ้ได้แต่และและด้วยใจสิ้นหวังโศกที่เราให้เขาสุขที่เจรัง กี่เดือนกี่ปีพระพี่ไม่รู้เลือนลาลีกลบปริมทางให้นางสวยสวรรค์รักแล้วมหมลืมไม่ลื ม, ลอมลอรอกหนักนคนดีร้อยปีชาติใหม่ไม่ลืม ตึงตัวไกลกันคงไม่มีวันหายเลือรักแล้วไม่ลืมไม่ลืมรอกนะ ไม่ไม่ลืมจอมขวัญจากไกลไม่ต้องไว้วันถึงตัวไกลกันคงไม่มีวัน